ความสุขง่ายๆที่นึกไม่ถึงก็คือการทิ้งภาพลักษณ์ไปจากใจแล้วให้ใจยอมรับตามจริงข้อเท็จจริงที่คนมักลืมคือเราไม่ได้เจริญสติกันเพื่อเอาภาพเราเจริญสติเพื่อเอาความจริงความจริงที่ว่ายังมีอะไรเหลือตกค้างอยู่ในเราบ้างถ้าเจริญสติมานาน คุณอาจไม่พอใจตัวเองที่แก้โรคทางใจง่ายๆไม่ได้เช่นพอเกิดอารมณ์หงุดหงิดคนอื่นแล้วมาหงุดหงิด ต, ตัวเองที่หงุดหงิดง่ายซ้ำเข้าไปอีกต่ออายุความหงุดหงิดให้นานขึ้นไปอีกความสุขง่ายๆที่นึกไม่ถึงก็คือการทิ้งทิ้งภาพลักษณ์ไปจากใจแล้วให้ใจยอมรับตามจริงยอมรับไปสบายๆว่าฉันยังโกรธง่าย ยังหงุดหงิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องได้เยี่ยงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งสาระของการยอมรับตามจริงคือเกิดสติรู้ตรงกับความจริงการมีสติรู้ตรงตามจริงคือมหากุศละจิตชนิดหนึ่งให้ผลเป็นสุขอ่อนนทันทีและเมื่อเกิดความสุขได้ใจก็ไม่อยากเอาทุกข์เอาร้อนให้ยืดเยื้อได้นั่นแหละความหงุดหงิด ถึงสร้างซายอย่างรวดเร็วถ้าเอาตะ ก, กีดกันไม่ยอมให้ตัวเองมีความสุขได้ง่ายๆคุณไม่มีทางแก้อารมณ์ขี้งุนงิดได้สำเร็จ